นน้กัะเดี๋ยวเราเริ่มพร้อมกันตอน2องทุ่มนะครับเดี๋ยวสแตนบายรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะฮะตอนนี้รอ ก, ก่อ น, นะฮะ เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยเ Hey โอเคมากันหลายคนแล้วนะฮะตอนนี้กลุ <g ul m online> ม่มออนไลน์มดตะนอยมาหรือยัง แล้วนะเห็นฮะเดี๋ยวเราเริ่มพร้อมกันอีกสามนาทีนะครับรอเพื่อนๆสมาชิกพร้อมเดี๋ยวจะเริ่มเลยเริ่มไลน์แล้วนะ ใครยังไม่มาบ้างมากันหมดหรือยัง น, น้ามงระดมอ้าวหมวดป๊อกก็มา ว่าไงเด็กปั้นปานะฮะมากันหลายท่านแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับเริ่มพร้อมกันนะฮะ อาหารสวัสดีครับใครใส่แว่นตากันน้ำเนี่ยอ้าวพี่โอมาแล้วนี่ ใครขอเป็นเพื่อนมาในเฟซบุ๊กอ๋อดีโอเคเดี๋ยวอีกหนึ่งยนะอีกหนึ่งอีกหนึ่งนาะทีเราเริ่มเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ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 ทีนี้ผมจะบอกนิดหนึ่งว่านะฮะวันนี้เนี่ยนะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือในเรื่องของความความเชื่อมั่นนะฮะทางรายได้นะครับของเพจย Q นะครับว่ามันจะทำรายได้ให้เราได้ไงนะครับแล้วก็เรื่องเล็กเล็กน้อยนที่เราจะต้องคุยกันนะครับสําหรับสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ด้วยนะครับเพื่อเพื่อเป็นผมใช้คำว่าเพิ่มวิธีคิดให้กับทุกคนแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปถึงความเชื่อมั่นเนาะผมอยากจะคุยเรื่องวิธีคิดสักเล็กน้อยนะครับสำหรับสำหรับการ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 เพราะฉะนั้นนะครับวิธีคิดข้อแรกเลยนะครับที่ต้อมอยากจะให้พี่ๆนะครับเพื่อนๆทุกคนได้รู้นะครับว่าวันนี้สําหรับตัว p พจคิวเนี่ยมันเป็นเพียงข้อเสนอนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับต้อมอยากให้ทุกคนรู้จักคํานี้ครับคว่า just offer just offer นะครับคือต้องให้มองอย่างนี้ก่อนครับว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าวันนี้เพจคิวคคือแบบ ทำธุรกิจน่ยคือต้องได้เงินน่ยคือเราอยากจะไปชวนคนเน่ยเพื่อที่เราจะได้500บาทผมบอกแล้วฮะวิธีคิดนี้อาจจะเป็นวิธีคิดที่รองเวนิดนึงนะครับวันนี้จัดซอฟเฟอร์นะเป็นเพียงข้อเสนอนครับหมายความว่าวันนี้เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเพจค q อ่ะนะครับมันทําอะไรให้กับใครได้บ้างเราเอาเพจคิวคอ่ะไปทําเงินแบบไหนได้บ้างนะครับฉะนั้นฮะวันนี้เวลาที่เราไปไปไปชวนเพื่อนๆใช้เราต้องรู้ก่อนว่าเขาอ่ะจะได้อะไรจากการใช้เพจค q เช่นวันนี้เพื่อนผมเนี่ยมีรายได้หมือน ผมเอาเพจคิวคิวไปให้เพื่อนทำเนี่ยเหมือนกับว่าวันนี้ผมไปเสนอกระเป๋าเงินอีกกระเป๋านึงให้เขานะครับเขาอาจจะชวนเพื่อนใช้งานได้ทั้งเดือนเลยนะได้แค่10คน10คนเขามีรายได้ 5,000 บาทเข้ามาในกระเป๋าอีกกระเป๋านึงผมว่ามันก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นช่องทางการเงินที่เพิ่มให้เขาแล้วนะครับหรือบางคนทําธุรกิจอยู่อาจจะแบบไม่มีเงินเดินงานตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยได้วันละพันถึงส0งพก็เป็นค่ากินค่าน้ําค่าดํามันไปนะครับผมก็มองว่ามันเป็นเพียงข้อเสนอนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะ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 เพราะฉะนั้ น, นะฮะเป็นเพียงข้อเสนอแนะนะครับอันที่สองเลยนะครับต้องให้เข้าใจกันว่าทุกอย่างบนโลกนี้นะครับหรือแม้แม้กระทั่งการทำธุรกิจมันขึ้นอยู่กับคำคำนี้ฮนะสแตนะครับคำว่าสแต็นะครับหรือสถิตินะครับยกตัวอย่างง่ายๆฮะทำไมมันถึงเป็นสถิติฮะ บ, บางครั้งเนี่ยเราอาจจะออกไปเชิญชวนเพื่อนๆใช้งานเนาะก็อาจจะมีคนที่เซย์เยสกับน็อตเยสนะครับผมผมไม่ผมไม่บอกนะว่า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 ใจกลางเมืองเลยนะครับแล้วก็มีถนนใหญ่วิ่งตัดผ่านข้างหน้านะครับถนนเนี่ยก็มีรถวิ่งผ่านวันหนึ่งหลายหมื่นหลายแสนคันเลยนะครับคําถามคือว่าวันนี้รถที่วิ่งผ่านกับรถที่ขับเข้าไปในห้างนะครับอะไรมีเยอะกว่ากันแน่นอนนะรถที่ขับผ่านต้องมีเยอะกว่าแน่นอนใช่ไหมฮะก็เป็นสถิตินะครับอ่ะสมมุติเรามองเข้าไปข้างในห้างเลยนะในห้างเนี่ยมีร้านเสื้อผ้าอยู่ร้านหนึงแล้วกันนะครับ คุณว่าคนที่เดินเข้าร้านเสื้อผ้ากับคนที่เดินเล่นอยู่ในห้างตากแอร์เนี่ยอะไรมีเยอะกว่ากันนะแน่ <st> นอนนะ ค, คนที่เดินตากแอร์มีเยอะกว่าถูกไหมครับคนที่เดินเข้าร้านเสื้อผ้าก็มีน้อยกว่ามันก็เป็นสถิติเหมือนกันนะคระเรามามองเข้าไปในร้านเสื้อผ้านะครับถ้าวันนี้เนี่ยคนที่เดินเข้าไปในร้านเสื้อผ้าคุณว่ามีคนดูกับมีคนซื้ออะไรเยอะกันคํ <st> าถามก็คือว่าถ้าวันนี้นะครับเราตอบได้ในใจเนาะว่ามันมีคนดูเยอะกว่าแน่นอน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 วันนี้อย่าอย่าปฏิเสธนะอย่าอย่าปฏิเสธว่าเงินเล็กน้อยนะครับจะสร้างเงินมหาศาลได้ผมบอกเลยฮะคแค่ถ้าเราไม่รู้วิธีการแน่นอนเนยเรามองอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรารู้วิธีการผมบอกเลยฮะยังไงก็เป็นไปได้คุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าบางครั้งเนี่ยมองคุณมองเคยเคย ท, ทําธุรกิจแบบเอาหลักล้านน่ยไปแลกหลักแสนเอาหลักแสนน่ยไปแลกหลักหมื่นเอาหลักหมื่นไปแลกหลักพันเอาหลักพันไปแลกหลักร้อยซึ่งสาตรฐานของโลกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นโปรเซสธรรมดา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 ไม่มีการเอาคือไม่มีการจ่ายเกินแน่นอนอ่ะคือบริษัทไม่ได้แบกรับภาระการจ่ายเกินเลยนะครับฉะนั้นให้เข้าใจอย่างนี้ครับว่าหนึ่งพันบาทใช่ไหมฮะหนึ่งพันบาทของคุณเนี่ยไปที่ไหนบ้างกันนะครับต้องรู้กันแล้วว่าไปที่ไหนบ้างนะครับถ้าใครรู้แล้วรู้อีกนะครับหนึ่งพบาทผมคิดเป็นหนึ่งอเป็นก่อนครับแน่นอนฮะห้าสิบอร์เซนตนะครับวิ่งไปที่รายได้ข้อที่1นใช่มฮ้าสิบเวิ่งไปรายได้ข้อที่1นะครับแสดงว่า ถ้าวันนี้มีการแนะนําเกิดขึ้นนะครับมีการชวนเพื่อนๆนะครับมีการสมัครแนบสลิปเรียบร้อยแล้วหนึ่พบาทนะครับรหัสของผู้ที่สมัครมีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับเงินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ถูกแปลงเข้ามาในระบบเน้นย้ํานะครับแปลงเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับจะถูกโอนมาเป็นคิวเป็นคิวนะครับเข้ามาที่รายได้ข้อที่1นึของผู้แนะนํานะครับก็ประมาณสิคิวนะครับ หักภาษีนาที่จ่ายเท่าไหร่ไม่รู้ไปดูในรายการเดินบัญชีนะครับที่ผมบอกคือ 5% เนาะผมไม่รู้ว่าตัดเหลือ9จุดเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเอานะฮะในนั้นนะครับอ่ะทีนี้ข้อที่1นะครับ 50% าบางคนแบบไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเขาจะมีจ่ายหรอคุณต้องดูอย่างนี้ก่อนครับว่า 50% เนี้นะครับมันวิ่งเข้าไปที่ตรงนี้จริงๆนะครับเมื่อมีการแอปพูรหัสให้ดูจริงๆฮะว่าในกล่องของ Wall คุณ่ะมันได้สิบคิวจริงๆ แต่มันมีภาษีนะที่จ่ายภาษีรายได้ครับเปรนด้วยนะครับมันได้เงินจริงๆกดออกมาก็ได้เงินจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1นะครับผมบอกเลยนะว่าถ้าใครมีการแนะนาเกิดขึ้นนะครับคุณแนะนํา1คนคุณก็ได้10บคิเนี่ยคุณแนะนํา2คนคุณก็ได้20 K คิจริงจริงนะครับคุณแนะนํา10คนคุณก็ได้5 0 0พันจริงจริงนะครับโอเคนะฮะตามนี้นะข้อที่1นะครับทีนี้ข้อที่2นะครับเขาบอกว่า1 20ลํารำดับชั้นใช่มคูณกับชั้น แสดงว่าหอร์เคูณกับยี่ิชั้นมันเป็นเท่าไหร่ฮะเป็น20ซตถูกต้องไหมครับวิ่งไปลายได้ข้อที่2นะครับในโครงสร้างแบตเตรี่เนี่ยนะครับใครยังไม่เข้าใจตรงนี้บ้างนะครับโครงสร้างแบตเตรี่นะฮะเป็นงี้ก่อนนะครับอ่าผมเขียนให้ดูตรงนี้แล้วกันในโครงสร้างแบตเรี่เนี่ยยี่ิชั้นเนี่ยนะครับแสดงว่าคนหนึ่งคนนะครับคนหนึ่งคนสมมุตินะฮะสมมติผมสมัครคนสุดท้ายเลยนะเอาคนนี้เลยนะคนหนึ่งคนเนี่ยนะครับเวลาเขาสมัครเข้ามาเนี่ย แสดงว่าหนึ่งเปอร์เซ็นจากค่าสมัครหนึ่งพันเนี่ยนะครับมันจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยยี่สิบคนใช่ไหมหนึ่งคนนะครับมีการจ่ายตรงเนี้ยยีิบชั้นหึือแสดงว่าแบบนี้เงินตรงเนี้ยบริษัทจ่ายได้แน่นอนเพราะทุกคนก็มีการทําแบบนี้อยู่แล้วจ่ายหนึ่งเปอร์เซนหนึ่งเอร์เซ็นยี่สบชั้นนี้ผมมองคนสุดท้ายเลยนะหนึ่งหนึ่งคนของเราเนี่ยก็คือหนึเอร์ซ็นยี่สิบชั้นตรงนี้ แสดงว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะมีการจ่าย 1% 1% 1% 1% 1% 1% ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนครบ20ชั้นนะครับจนครบ20ชั้นมูลค่า20ล้านจ่ายได้แน่นอนตามจานวนคนนะครับเพราะฉะนั้นกดเครื่องคิดเลขก็ออกมาตามนี้ครับบอกได้เลยฮะว่าจ่ายจ่ายได้แน่นอนไหมครับไม่ต้องห่วงนะฮะตรงนี้เพราะว่าทุกคนฮะมันเป็นโลจิติกอยู่แล้วหนึ่งเป็น20ชั้นนะครับโอเคนะครับสําหรับข้อที่2องนะฮะ จากนั้นนะครับให้พวกเราเข้าใจอี้ก่อนนะครับว่ารายได้หนึ่งเอร์ซยี่สิบชั้นเนี่ยนะครับมาจากค่าสมัครนะครับหนึ่งพันบาทก่อนนะฮะหนึ่งพันบาทฮะหเปอร์เซนเท่ากับสิบาทนะครับสิบบาทนะฮะสิบบาทเนี่ยนะครับคนในยี่สิบชั้นถ้ากดถ้ากดเครื่องคิดเลขตามกดทวีคูณมันจะอยู่ประมาณสองล้านคนใช่ไหม 2ล้านคนคูณ10บาทก็20ล้านเนะนี่ยโลจิกซัพพอร์ตกันนะครับไม่หนีไปไหนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับตัว 20, 20่สล้านนะฮะจากนั้นเนี่ยมีคนถามว่าอา้าถ้าได้20ล้านแล้วต่อไปจะได้อะไรล่ะแสดง ว, ว่ามันจบแล้วสินะครับอีกหน่อยนะครับคือตอนนี้มันยังไม่มีเซอร์วิสซิสเต็มนะครับเอนะผมใช้ตัวย่อว่า SS นะครับเซอร์วิสซิสเต็มเดือนละหกคิวหคิวเนี่ยเท่ากับ300บาท สามบาทเราได้หเอร์ซด้วยหนึเปอร์ของสามรอยบาทยีิบชั้นด้วยนะครับแสดงว่าหเซของสามร้อยก็คือคนละสาบาทสามบาทตัวนี้เนี่ยกับคนสองล้านคนนะสามบาทกับคนสองล้านคนแสดงว่าคุณจะมีแพาสซีจากตัว Service System เนี้ยเดือนละหกล้านบาทหล้านบาทจริงๆนะครับถ้ามีการ service system นะครับหรือในในเดือนเดือนนั้นเนี่ยตอนที่ยี่สิชั้นยังไม่เต็มนะครับมีการ service คุณก็หนึ่งเ็นจากจากตัว6กคินี้ด้วยนะครับแล้วคุณก็ได้ 1% จากตัวค่าสมัคร1000ด้วยนะครับทุกๆเดือนตลอดไปนะครับแต่เมื่อ20ชั้นเต็มแล้วนะครับมูลค่าของ20่ชั้นคือ20ล้านต่างหากนะฮะแล้วก็6กคิวนะครับก็คือเดือนละ6ล้านบาทตลอดไปนะครับสําหรับตัวรายได้ข้อที่2นะฮะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับว่าบริษัทไม่ได้เอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายเงินในหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในระบบตามเงื่อนไขรายได้ข้อที่1 2 3 4งสองสามสี่ห้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 แสดงว่าใน 2,000 ล้านนี้มันก็เอามาแบ่งจ่ายอยู่เดือนี้แหละครับอันนี้คุยในข้อเท็จจริงเลยฮะยังไงก็จ่ายได้แน่นอนนะครับ 2,000 ล้านมาจ่ายนี่แน่นอนแล้วมาจิ้นของ System ได้แค่ 3% ท่านนั้นนะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคไหมฮะอันนี้คือคุยข้อเท็จจริงให้เห็นเลยฮะว่าเงินวิ่งไปไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่มีที่มาที่ไปของเงินตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยนี่คือคําตอบเลยครว่า20ล้านจ่ายได้จริงๆเดือนนล6้าจได้จริงๆเพราะว่า ต่อไปฮนะสมมุติว่ามันมีมันมีคนนะฮะส อ, สองล้านคนแล้วเนี่ยต่อไปมันก็คือเซอร์วิสเดือนละ6คิวใช่ไหมหกคิวหเปของหคิวยี่ชั้นเท่ากับเท่าไหร่ฮะห์ของสามอยเท่ากับ3บาท3าบา ท, บาทคูยี่ิชั้นเท่ากับ60สบาท60สบาทต่อหนึ่งคนมันก็จะวิ่งเข้าไปในนี้นะแสะดงว่าถ้าเป็น60บาทต่อหนึ่งคนนะฮะสองล้านคนก็เท่ากับเท่าไหร่อหนึ่งร้อยี่สิบล้าน 1นึ่ิล้านก็เอามาวนจ่ายตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นจ่ายได้แน่นอนนะครับสําหรับเรื่องรายได้ข้อที่2องนะครับโอเคครับสำหรับนี้นะฮะข้อ2นะครับก็คือนะฮะเมื่อกี้ห้าอร์เซวิ่งไปที่ผู้สปอนเซอร์อีก20อร์เซนนะครับวิ่งไปที่รายได้ข้อที่2นะครับทีนี้รายได้ข้อที่3เป็นเรื่องคนกับคนแล้วนะครับผมขอยกตัวอย่างข้อ3าไปอันเคสสุดท้ายนะผมขอข้อที่4ี่ก่อนก็นะครับก็คือรายได้ของวิวคอนเทนต์นะฮะ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 ลองนึกดูดีๆนะครับมันมีที่ไหนฮะที่ที่คุณโพสตอะลงไปอินเทอร์เนต็ตอะแล้วเขาจ่ายเงินให้คุณเนี่ยจากที่โพสตผมบอกเลยครับว่าวันนี้วิวของเพจยูคิะเยอะกว่า youtube มากนะครับขนาด youtube เนี่ยวิวละไม่ถึงหนึ่งสตางคนะ์คุณฟังให้ดีนะยูทูบอะวิวอะไม่ถึงหนึ่งสตางค์เลยนะต่อหนึ่งวิวอะแสดงว่าวันนี้ครต่อให้มันเป็นหนึ่งสตางค์นะต่อให้เลดวิวของเราเป็นหนึ่งสตางค์นะฮะหนึ่งสตางค์ก็คือเงินที่เขาจ่ายให้คุณกับการที่คุณโพสต์บน Facebook เลย เขาไม่ให้คุณแม้แต่สตางค์แดงเดียวใช่ฮะแต่เราต้องเข้าใจอย่างีก่อนว่านะครับณนะตอนนี้นะครับมันไม่บางคนนะ่คือแบบให้คือคาดหวังว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องได้เงินเยอะๆจาก View Content ฉันจะต้องได้แบบเ a ดว v i ละแลึ่บาทเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่นะครับผมต้องให้มองเห็นว่า 20% ่ตรงเนี้ยมันวิ่งเข้าไปที่ View Content ก็จริงนะฮะแต่มันก็กลายเป็นกำไรด้วยใช่ฮะ ซึ่งณตอนนี้จริงๆอ่ะผมต้องบอกยังไงว่ากําไรอ่ะมันมาจากตัวนี้แหละ 20% ที่เอามาจากวิวคอนเทนต์แต่ว่าในอนาคตนะครฟังดีๆนะฮะในอนาคตเนี่ยมันจะมาจากทั้งการโฆษณาเพราะเมื่อมีการใช้งานมากขึ้นเมื่อมีการโพสต์มากขึ้นมีทั f ฟิกวิ่งเข้ามามากขึ้นเนี่ยยังไงยังไงหนีไม่พ้นบริษัทโฆษณาต้องซื้อพื้นที่แน่นอนครับผมการันตีเลยฮะร้อยเยังไงคุณมีกําไรจากตัวโฆษณาแน่นอนนะครับที่สําคัญก็คือว่า ณนะตอนนี้มันยังไม่มี Service System ็มนะครับไอเซ e ร์วิสซิสเต็มหคิเนี่ยมันเอามาคิดตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมี6กิเข้ามาเนี่ย mm hmm. เลดวิวมันก็จะมากขึ้นครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มี Service System เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องต้องต้องเข้าใจพอยนี้ก่อนว่านะครับเมื่อเมื่อมีการสร้างวิวที่เยอะมากขึ้นมีท a ฟฟิกเข้ามามากขึ้นคนสนใจมากขึ้นนะครับแต่กําไรในส่วนนี้มันน้อยแสดงว่าเลดวิวมันก็ยังต่ําอยู่นะครับอย่างเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนสิงหาใช่ไหมฮ เดือนสิงหาเนี่ยมีทัฟฟิกวิ่งเข้ามาวิวเกิดขึ้นเนี่ยประมาณ2ล้านวิว2ล้านวิวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากำไรเท่าไหร่ผมไม่ได้ถามมันนะฮะกำไรเนี่ยคิดออกมาเนี่ยตกประมาณ6สตางค์นะครับเพราะว่ามันใหม่คนก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วเราก็มีกำไรจากแค่ 20% จากค่าสมัครเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ต้องให้ทุกคนเข้าใจกันว่าอีกหน่อยะฮะคอนเทนต์ของเราเนี่ยที่เราโพสต์ลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะเกิด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 พอเพจ ค, คิวคเนี่ยเปิดออกไปกว้างมากแล้วมีกําไรมากขึ้นมีคนสนใจมากขึ้นเนี่ยคอนเทนต์ของคุณเนี่ยที่เป็นคอนเทนต์คุณภาพอบบจะมีมูลค่ามาหาศาลมากเพราะจะมีคนคลิกเข้ามาดูตลอดแล้วมันก็จะทำเงินให้คุณทุกๆเดือนทุกเดือ น, เ, อนเป็นพสซีฟอีกก้อนหนึ่งที่คุณจะได้จากระบบนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มองให้ออกไหมคว่าคือมันดีกว่าที่จะโพสต์ไปฟรีๆผมต้องบอก p o i n นี้นะคือบางคนไม่เข้าใจจริงๆอะว่าอยากได้เยอ ะ, อ ย, ย อ, ะอยากได้เยอะจากคอนเทนต์เ่ยไม่หาคนเนะี่ยฉันจะโพสต์โพสต์โพสต์โพสต์ ผมต้องให้ทุกคนเข้าใจก่อนรายได้ข้อที่1หรือข้อที่4ี่อะในในในโครงสร้างไรายได้เรามันต้องมาบาลานซ์กันนะมันต้องมีคนด้วยใช่ไหมมันต้องมีการใช้งานด้วยใชมันต้องมีโครงสร้างตามแบบแพลนการตลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมั่นใจอย่รครับว่าเมื่อมีการใช้งานมากขึ้นผมบอกเลยฮะยังไงบริษัทโฆษณาก็เข้ามาน่อนแล้วข่าวดีนะฮะอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับผมคุยกับพี่ไม้ริสาตอนกงวันพี่ไม้ริสาบอกว่าตอมรู้ไหมจริงจริงตอนเนี้มีคนมาขอซื้อบริษัทแล้วนะ เป็นบริษัทต่างชาติพี่มายส์สาไม่ขายนะผมบอกเลยว่าพี่มายาใจดีกับเรามากคืออยากให้ช่องทางทําเงินตรงนี้มันเป็นของคนไทยจริงๆนะหรือแม้แต่โฆษณาที่ติดต่อเข้ามาเพราะว่าเขาเห็นจากการที่เราใช้งานนี่แหละครับเขเห็นปุ๊บเขารู้ทันทีว่าเฮ้ยอันนี้เติบโตแน่ น, นอนซื้อเลยแต่พี่ไมายาบอกยังไม่เอาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันจะวุ่นวายนะหรือบางทีมันมีพักการเมืองหัวเราะมันมีพักการเมืองด้วยนะเข้ามาติดต่ออยากจะโฆษณาพักการเมืองเอียงไปทางใดทางหนึ่งเนาะ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 เข้ามาทําไปเดือนแล้วก็เหร็ดวิวต่ำพอเร็ดวิวต่ำปุ๊บก็แบบเออเสียเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่เข้าใจเรื่องวิวคอนเทนต์ว่าต้องมองลองเทอมจริงๆนะคือต้องมองไกลๆจริงๆอะ่ะว่าเฮ้ยโพสต์ของคุณน่ยมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตจริงๆนะแล้วมันก็ทําเงินให้คุณตลอดเมื่อมีคนที่เข้ามาดูนะครับอันนี้เป็นแอสเซทเลยจริงๆนะครับผมต้องผมต้องให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นแอสเซทเลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3านะฮะมั่นใจเลยนะครับ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 อลัลกอริทึมแบบค่าเฉลี่ยนะฮะสำหรับตัววิวเช่นถ้าคนนี้มี1ล้านวิวคุณคนได้เลทวิวจากกำไรเท่าไหร่ถ้าคนนี้มี 100%, 0 0วิวคุณควได้ ก, กำไรจากกเท่าไหร่ถ้าคนนี้มี1 0 0่งวิวคุณคนได้กำไรจากเลทวิวเท่าไหร่แบบนี้มันจะมีอลัลกอริทึมให้คิดแบบนี้นะครับ <S <s <uk and water> เพราะฉะ น, นั้นตอนนตอนนี้อยากให้ทุกคนน่นะครับช่วยช่วยสื่อสารกันก่อนทำความเข้าใจกันก่อนว่าเฮ้ยมันมั น, ม, นมันต้องเป็นแบบนี้ก่อนนะฮะแต่ว่าผมว่ามันก็แฝเพราะว่าอะไรเลยฮะบางคนเนี่ยอยากได้ โพสอะไรก็เป็นล้ไลฟสาระไปหมดเลยนีไปดึงตรงนั้นมาไปดึงตรงนี้มา <Yeah. S 1> ซึ่งจริงๆอ่ะโอมเขาอยากให้เรา uh, อ่ะโพสตไอเดียของตัวเองมากกว่าไอเดียดีๆรูปภาพของเราหรืออะไรก็ตามของเราบางทีเนี่ยคนก็โพสต์เรื่องรูปเรื่องเราของตัวเองเนาะรูปภาพของตัวเองแต่ก็มีคนคลิกเข้ามาดูมันก็เป็นเงินนะฮะมันไม่ได้มันไม่ได้เสื่อมมูลค่าหรือมันได้น้อยมันได้ตามสัสดส่วนที่มันควรจะได้นะครับสำหรับตัววิวคอนเทนต์นะก็ให้เข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับโอเคนะฮะทีนี้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 ไอรายได้ข้อที่3อ่ะผมวางต่อไอ้ได้ข้อที่3มเนี่ยมันคือผมใช้คำว่าปกติเนี่ยคว่าแหวกมันคือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องจ่าย 7% ตใช่ฮะแต่คราวนี้เอางี้ก่อนผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดีอ่ะผมเลยเรียกมันว่าการบริหารแล้วกันบริหารบริหารคนกับคนเนี่ยนะครับแสดงว่าตัวเราเนี่ยนะครับรายได้ข้อที่3าบอกว่าถ้าบริหาร 10% จากสมาชิกแนะนำตรงใช่ฮะแสดงว่าตัวเราเนี่ย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 ต้ อ, อยากให้ทุกคนนะฮะลดลดความอยากได้ลงคือบางครั้งคนไทยกลัวเสียเนาะแต่ไม่กลัวได้ครับวันนี้เราต้องลดความอยากได้ลงเพื่ออะไรนะต้องเข้าใจว่าเพจคิวมันเป็นช่องทางทําเงินมันมีซิสเต็มซิสเต็มต้องมีเงินหมุนเวียนในระบบถ้าเงินขาดออกจากระบบระบบอยู่ไม่ได้เราก็จะทําเงินที่ไห น, นะะวันนี้โอมออกแบบซิสเต็มตัวนี้ออกมาให้ง่ายมากแล้วเป็นช่องทางทําเงินที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอแผ่นฟอร์มแบบนี้มานะครับเราเคยเจอธุรกิจขายตรงมาเยอะแยะมากมายเราเคยเจอธุรกิจเน็ตเวิร์ก Market ็ตตมาเยอะบางคนเคยไปทํามันนี่เกมมาบางคนเคยทำเทรดหุ้นเห็ดนุ่นแห็ดนี่มาแล้วก็ไม่เป็นมืออาชีพก็คุณก็เจ๊งคุณก็หลมนะครับเพราะฉะนั้นครับอยากให้ทุกคนนะฮะมั่นใจว่าระบบการบริหารคนกับคนเนี่ยนะครับบริษัทไม่ได้แบกรับพอบริษัทไม่ได้แบกรับปุ๊บเงินสามารถจ่ายได้จากคนสู่คนเช่นกันนั่นหมายความว่าวันนี้บริษัทไม่หลงครับจ่ายไม่เกินเนสังเกตดูดีฮะหนึ่สบริษัทไม่มีข้อไหนจ่ายเกินสั ก, ส, กสักอันเลยนะครับ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 แหวดใจที่ไหนฮะสัมภาระเพราะฉะนั้นถูกกฎหมายแน่นอนนะครับถ้าใครเห็นผมลงรูปภาพเนาะที่คุณโอมเขาไปจ่ายสัมภาระมาเมื่อประมาณเมื่อวานนี้มัฮะเมื่อวานนี้นะผมเพิ่งลงรูปที่เขาไปจ่ายสัมภาระที่บางละมุงมานะครับเขาไปจ่ายตัวนี้แหละฮะให้พวกเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่าเฮ้ยมันถูกกฎหมายหรือเปล่าถ้ามันจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนฮะมันถูกกฎหมายอยู่แล้วนะครับสเนะครับเข้าซิสเต็มนะครับซิสเต็ม ถ้าใครได้ดูในคลิปที่แล้วที่ผมไลฟ์สดเนาะบางคนบอกว่าเออแล้วแบบนี้บริษัทได้กําไรน้อยจาก 3% มเอมร์เซ์าจิ้นต่ํามากแล้วบริษัทอยู่ได้ไงบริษัทไม่ได้อยู่ได้ด้วยเงินนะบริษัทมาจิ้นสมเร์เซ็นตเนี่ยมันต่ำมากนะครับบริษัทอยู่ได้ด้วยมูลค่าของการใช้งานของยูเซอร์ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ถ้ายูเซอร์สามารถทํารายได้ได้มากนะครับมีการใช้งานมากขึ้นมีการบอกต่อมากขึ้นนะครับซิสเต็มตัวนี้มันจะมีกําไรเพิ่มขึ้นจากมูลค่าการใช้งานของแต่ละคน เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงบริษัทฮะไม่ต้องห่วงแพทคิวคิวด้วยนะครับแพทคิวอยู่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมเว็บมันเข้ายากจังทําไมมันใช้งานยากจังมันมันเพิ่งเริ่มนะฮะแต่ว่าณตอนนี้ข้อมูลของเราผมผมเรียนตรงๆเลยฮะข้อมูลของเรานะครับมันแปะอยู่บนคราวที่ซิลิคอนวัลเล่จริงนะฮะคือโอมเขามองแผนเวอร์ไว้แล้วคือบางคนเนี่ยมองภาพใกล้มากนะฮะพอมองใกล้ปุ๊บเนี่ยนะอาจจะมองไม่เห็น นะครับว่าว่ามันมีแนวโน้มไปยังไงนะฮะที่ซิลิคอนเวเล่เขียนยังไงวะอ่าซิลิคอนวัเลย์อยู่ที่ USA ผมต้องบอกเองครับว่าอยากให้ความเชื่อมั่นตรงนี้จริงๆถ้าใครไปเปิดไปเปิดข้อมูลของซิลิคอนเวเลย์นะคุณจะเห็นว่ามันเป็นถิ่นกำเนิดของบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ในส่วนของโซเชียลในส่วนของเวิรไวเว็บในส่วนของอินเทอร์เน็ตออนไลน์ต่างๆเยอะแยะมากมายเช่น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 มีอะไรนะ Google นะครับหรือแม้แต่กระทั่งนะถ้าคุณไปดูนะโอ้มันมีเยอะมากเป็นร้อยบริษัทเลยนะครับบริษัทไอทีต่างๆอยู่ที่ซิลิคอนเวเล่เยอะมากนะครับอยากให้เข้าใจอีกนะครับว่านะครับความเชื่อมั่นของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมมีร้อแต่ทีนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะอาจจะคิดว่าเป็นคอมตั้งโต๊ะอยู่แถวสะพานควายหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอยู่ซิลิคอนเวเล่จริงคาลเราอยู่ที่นี่จริงนะครับอีกหน่อยนะครับ เมื่อมีการใช้งานมากขึ้นเมื่อบริษัทมีกำไรหรือตัวตัว s ซิร์ฟฟอร์ทเนี่ยที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์เพจคิวคิวเนี่ยเขามีกำไรจากการใช้งานมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเปิดคราวของตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวันเวอร์ไวเมื่อมันเปิดเวอร์ไวเนี่ยผมบอกเลยว่าคราวนี้คนไทยอาจจะมีเงินเยอะมากถ้าคุณเข้าใจตรงเนี้ยอีกหน่อยคนจะไม่ติดคนจะไม่ติดเขียนสเตตัสแล้วฮะ ค, ค, คนจะไม่ติดเขียนสเตตัสแล้วครับผมบอกเลยฮะคนจะไม่ติดเขียนสเตตัสเพราะว่าเขียนสเตตัสไม่ได้เงิ น, น คนจะติดสร้างคอนเทนต์ครับเพราะว่าคอนเทนต์เขียนแล้วได้เงินเนะีนะ่ยติดตรงนี้คอนเทนต์ content เขียนแล้วได้คุณภาพคอนเทนต์ content เขียนเขียนแล้วได้ผมใช้คำว่าคนจะติดสร้างคุณภาพในในการสื่อสารมากขึ้นเขาจะมีการคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องคิดหัวข้ออะไรอะ่ะที่คนเนะี่ยเข้ามาดูของเราแล้ ว, ลวเขาเขาเขา้เขามาอ่านแล้วเขาชอบอะ่ะ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 จะกลายเป็นมูลค่าทางอินเทอร์เน็ตมหาศาลมากสำหรับตัวเขานะครับแค่วันนี้นะฮะความมั่นใจของเรานะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราวางแผนที่จะเวิไวนะครับอยากให้ทุกคนนะฮะมั่นใจนะครับตั้งแต่รายไดข้อที่หนึ่งเลยนะครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับรายได้ที่้าต้องไปคุยกับข่ายบริษัทยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้บางคนผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่านะฮะเข้ามาใหม่วันนี้มีไหมฮะ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 ใครไม่รู้จักคำว่า passive income บ้างฮะหลายคนผ่านมาในบริษัทถูกขายนความคิดเนี้ยนะครับ passive income ไรายได้แบบเสือนอนกินนะฮะ passive income เกิดขึ้นแน่นอนครับเมื่อ service system เกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้งานเกิดขึ้นทุกคนมีการโพสทุกคนมีการเปิดซ้ำ social network มีการใ ช, ใช้ซ้ำตลอดเวลานะครับวันนี้คุณเปิดมาหลายๆคนน่ต้องเริ่มสังเกตตัวเองนะว่าติดเพจๆหรือยังเฮ้ยเขาไม่ได้รู้สึกงุกอ่ะคือคุณติดแล้วนะ คือคุณติดเพจคิ q q เรียบร้อยนะครับไอตัว Service System เนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยเมื่อมีการใช้ซ้ำเนี่ยคุณจะมีแพ s ซีฟเดือนละ6ล้านเมื่อเต็ม20ิชั้นนะฮะหล้านบาทนะครับคือยังไงยังไงมาแน่นอนนะครับารายได้แบบแพ s ซีฟอินคอมคุณมาแน่แนจากการใช้งานแสดงว่าวันเนี้สิ่งที่คุณต้องสร้างอะ่ะสิ่งที่คุณต้องเอาแรงบวกเวลาเนี่ยฮะไปสร้างเป็น a อสเซทเนี่ยแอสเซของคุณในเพจค q วมี q มีอะไรบ้างฮะมันมีแอสร็จนะฮะถ้ามันไม่มี asset มันจะเป็นนรรายไไไดด้้แบบบ Pass ม่ะคั แสดงว่าแอสเซทของคุณหนึ่งเลยก็คือคนครับ human assets นะครับเาเรียกว่า human a s s s นะครับ human ก็คือคนเนี่ยที่ทำได้เหมือนเรานะรสองเลยก็คือ content นะค content ที่คุณสร้างเนี่ยเป็นแอสเซทนะคุณรู้ไหม content ที่คุณสร้างเนี่ยผมยกตัวอย่างเสมอเช่นวิธีการทำข้าวมันไก่ของผมนะถ้ามีคนกดเข้าไปทมีคนกดเข้าไปเปิดใน Google แล้วมีคนเข้าไปดู content วิธีการทำข้าวมันไก่ของผมเนี่ยผมก็จะได้รายได้จากวิว content แสดงว่าวิธีการทำข้าวมันไก่หรือคอนเทนต์ของผม่มันเป็นแอคเซที่ทำเงินให้ผมไงนะครับแสดงว่าวันนี้ฮะคุณจะได้รายได้แบบพาสซีฟแน่นอนในข้อแรกเลยนะครับรายได้ของคุณนะฮะเป็นพาสซีฟแน่นอนนะครับต่อเดือนนะครับบางคนได้ต่อวันนะครับโอเคนะฮะสำหรับข้อที่1ผ่านฮะในเรื่องของพ a สซีฟนะครับในเรื่องของรายได้แบบพ a สซีฟสก็คือนะครับสำหรับตัวเพจ e QQ เนี่ยมันมีพาสซีฟแล้วไหมฮะพาสซีฟแล้วนะผมลดไปนิดนึง เดี๋ยวช็อต น, น้อยไว้ตรงนี้ดีกว่า Passive น, นะครับไม่ตีเส้นดีกว่า Passive นะครับตัวที่สองครับที่ผมจะพูดถึงคือตัวนี้คำนี้เลยฮะ Massive ปกติคุณเคยได้ยินแต่ Passive Income ใช่ไหมคุณเคยรู้จักคำว่า Massive ไหม Massive ค, คืออย่างนี้ฮะกลุ่มตลาดเป้าหมายมันมีมาก คุณลองมองย้อนกลับไปนะฮะบางธุรกิจเนี่ยที่ลงทุนเป็นแบบ3า0 0 0ื่นสีหลักแสนเนี่ยคุณว่าคนทําได้ทุกคนไหมหรือแม้แต่กระทั่งธุรกิจที่เป็น อ, อันนี้ไม่ได้ว่าน ะ, ะธุรกิจที่เป็นอาหารเสริมหรือสกินแคร์หรือแม้กระทั่งพวกเทรดหุ้นอะไรเงี้ยหรือว่าพวกโฟเล็กต่างๆ ส, สกุลเงินดิจิตอลต่างๆนะฮะคุณว่ามีคนทําได้ทุกคนไหมครับผมบอกเลยฮะไม่ทุกคนนะครับเพราะว่าอะไรรูะะ้ไหมกลุ่มนั้นเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ค่อนข้างมากหรือว่า ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นิดหนึงน่งฮะต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการทำงานนิดหนึ่งครับแต่แม้ส v บเนี่ยนะครับหนึ่งพันบาทคุณว่ากลุ่มทาร์เก็ตเป้าหมายโซเชียลคุณว่ากลุ่มทาร์เก็ตเป้าหมายที่สามารถเพย์เงินหนึ่งพันบาทได้แล้วก็ใช้โซเชียลเป็นคุณว่ามีเยอะัหมผมบอกเลยฮะแทบไปทั้งโลกเขาสามารถเพย์ได้เขาสามารถเล่นได้เขา กดมือถือใช้ง่ายเขามีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะฮะเขาใช้โซเชียลสำหรับสร้างเงานนินได้ผมว่ากลุ่มตลาดเยอะพอเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะกระจายง่ายในรายได้ข้อที่สองเราบอกว่า20ชั้นมันมีคนประมาณ2ล้านคนใช่ไหมครับ <c oughs> คุณเคยเห็นบริษัทขายตรงไหนทําคนได้2ล้านคนไหม <c oughs> ไม่มีนะบอกเลยครั บ, บ, อ, รบอยู่มา10ปี20ปีผมก็ไม่เคยเห็นคนถึง2ล้านคนในบริษัทขายตรงนะ <c oughs> ครับแต่คุณลองดูครับ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 หรือว่าคุณทําธุรกิจเนี่ยสิ่งหนึ่งเวลาคุณลงทุนไปแล้วอะ่ะคุณต้องการอะไรก่อนคืนทุนจริงไหมโอเคที่นี่นะครับลงทุนเท่าไหร่ฮะลงทุนหนึ่งพันถ้าเรามองแบบไม่หักภาษีเนาะคุณชวนสองคนคุณคืนทุนแล้วนะหนึ่งพันเรียบร้อยคืนทุนแล้วเร็วไหมฮะผม บ, บอกเลยเร็วมากคืนทุนแล้วแสดงว่าที่เหลือคืออะไรครับเมื่อเกิดการคืนทุนที่เหลือก็อคือกําไรครับ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 อย่างของผมเนี่ยนะถ้าผมได้เงินเดือนละหมื่นหาวชีวิตผมก็ตกต่ำเลยเพราะว่าฟิกคอรสผมเยอะกว่านั้นเยอะนะฮะแสดงว่าความสําเร็จวันนี้จากเงิน1000บาทเราถ้ามันสามารถแปลงเป็นเงินอีกกระเป๋าหนึ่งได้เช่นนะ ค, คนคนนี้อาจจะเป็นพนักงานประจําอยู่นะครับเขามีการลงทุนอย่างนี้และเขามีเงินเฉลี่ยวันละ1000บาทต่อวันสแสดงว่าเดือนหนึ่งเขาได้เงิน 30,000 บาทคุณว่าเขาสําเร็จหรือมาไกล ก, กว่าเดิมหมสามหมื่นบาทต่อเดือนกับ15ื่นต่อเดือนในงานประจํา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 ให้เรามองเองกันนะว่าต่อให้มันเป็นสามถึงสี่ปีนะฮะที่คุณจะมีแอสเซทจากตรงเนี้ยเสร็จสามสี่ปีเนี้ยที่จะทำให้คุณมีแพสซีฟเดือนละหกล้านได้คุณว่าสามสี่ปีเนี้ยคุณสําเร็จไหมถ้ามีคุณมีแพสซีฟเดือนละหกล้านได้ตอบตอบตัวเองแล้วกันเนาะแต่ถ้าวันเนี้ยสามสี่ปีเนี่ยต่อให้มันเป็นระยะเวลาทเท่ากันเนี่ยแล้วคุณมีแค่เดือนละหกหมื่นต่อเดือนคุณว่าคุณมาไกลกว่าเดิมไหม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 สำหรับความสำเร็จที่นี่สั้นๆระยะสั้นคืนทุนเร็วนะครับโอเคหครับสำหรับตัวนี้นะฮะสำหรับตัวเพดค q วนะครับแสดงว่ามันช็อตเทอร์มเนาะช็อตเทอมตัวที่สี่นะครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูนะฮะขออนุญาตดูนิดนึงนะฮะตัวที่สี่นะครับที่จะให้เพื่อนๆดูก็คือตัวนี้ครเขาเรียกว่าคอนเซิร์นฟรีคอนเซิร์นเขียนไงวะเขียนคอนเซิร์นอ่าฟรีคอนเซิร์นแปลว่าความเครียดเนาะ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 คำด่าคำชมแบกรับภาระต่างๆซิงเกิลพเมันเหนื่อยครับผมเลยให้ทุกคนเข้าใจกั่นะว่าวันนี้นะครับมันถูกแบ่งเป็นอย่างงี้นะะกนะครับกับ Mul ติโลครับเอ่อมัลติโพนะฮะเรนะครับเราเคยเล่นเกมไมมันจะมีซิงเกิ p เพลเยกับ m u l ต i p l e p พลเยอใช่ไหไอ้ัตตัวนี้แหละมันหมายความว่าวันนี้มันถูกมันมีการช่วยเหลือกันแต่ละคนนะมันมีคนมันมีคนหลายๆคนเข้ามาช่วยกันทา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 ตรงเนี้ยก็เป็น16 16ตรงเนี้ยก็เป็น32ม2ตรงเนี้ยก็เป็น64นคุณดูตรงนี้ดีสมมติ น, นะมสมมติตัวผมเนี่ยผมทำงานเพจคิวคิวเนี่ยวนนันนึงเนี่ยวันละ4ชั่วโมงลัสมมติ น, นะผมสมมติ น, นะวันละสี่ชั่วโมงกับในเในเนะฮะในเอทางานประจำในเอทาง า, านวันละ10ชั่วโมงลกันแสดงว่า1วันของในเอเนี่ยนะฮะวันของอมีเต็มที่ก็คือ10ชั่วโมงไม่ได้ละไม่เกินไปกว่า น, นี้ละ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 ครั้งถัดมาเนี่ยนะครับเมื่อมีการตรงนี้เกิดขึ้นผมมีกี่ชั่วโมงเนสิบสองวกกับสิบหเป็นยี่สิบแปดชั่วโมงนะยี่สิบแดชั่วโมงในหนึ่งวันคุณว่าตลกไหมคนไรมียี่สดชั่วโมงในหนึ่งวันเนี่ยมันเกิดนี้แดชั่วโมงะอะแปดค น, นะแดคนคนละสี่ชั่วโมงก็คือยี่สิบสี่สิบหกคูณสี่เท่ากับหสิบสี่เอ็กคูณเลขถูกไหมสองคณสี่เท่ากับร้อยยี่สิบแปดคุณดูตรงนี้ดีนะ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 มันจะถูกทวีคูณทวีคูณทวีคูณทวีคูณไปเรื่อยเพราะฉะนั้นครับเมื่อมันเกิดทวีคูณคําถามคือมันจะได้จริงเหรอรผมนะผมมีในเอกับผมมีใ น, นบีผมให้ในใน a เป็นคูณก็ได้และใน b ก็เป็นคูณเหมือนกันวันเนี้ยตัวผมเนี่ยผมไปสร้างทีมงานตรงเนี้ยลงมาแล้วเนี่ยนะครับผมมีรายได้ไดนะฮะสมมติแล้วกัน สมมติเลยนะมองไปเลยยีล้านอ่าใน A กับใน B ก็ต้องมีคนละ10ล้านจริงไหมสิบล้าน10ล้านแล้วผมก็ไม่บอกว่าเฮ้ยเอยู่ได้10ล้านแล้วเฮ้ยบอยู่ได้10ล้านแล้วอยู่หยุดเถอะไม่ต้องทำละคุณได้10ล้านแล้วจะทําต่อทำไมอ่ะรวยแล้วนี่ไม่ต้องทําคุณว่าคุณยอมไหมถ้าคุณเป็น A กับ B คุณยอมปะไม่ยอมจิงไหมอ่ะสมมุติมีทีมงานอยู่เนี้ยเขาได้เท่าไหร่อ่ะส0 0แสนแล้วก็แหละเขาได้ 200,000 คุณไปบอกให้เขาหยุดอ่ะคุณว่าเขาหยุดไหม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 คุณก็ยังมีรายได้อยู่ดีเพราะว่ามันมีเซอร์วิสซิ t e ตมันมีการใช้งานมันมีรายได้ตื่นๆที่จะเข้ามาณนะตอนนี้เรามีแค่1น3 4 5ก็คือ 50% ใช่มฮะสปอนเซอร์นะฮะหคูณ20ชั้นนะฮะอ่าค่าบริหารอ่ e w Content นต์ใช่แล้วก็เซนเตอร์ใช่อีกหน่อยครับมันจะมีตรงเนี้ย ที่พี่มาริสาชอบบอกกับผมคือตอนนี้มีประมาณ8แต่เราทํห้าเนาะมีประมาณ8ที่พี่มาริสาบอกว่าอันที่8เนี้ยเป็นไรายได้แบบคือมันจะเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตของมนุษย์ไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าไรายได้แบบที่8เนี้ยผมบอกเลยว่าพลิกโลงจริงรผมก็ยังไม่รู้ว่าอะไรนะฮะจริงๆก็รู้อะแต่ไม่บอกน ะ, ะเก็บไว้ก่อนน ะ, ะคือพลิกโลงจริงนะครับปุูกไว้ก่อนนะครับ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 ถ้าเขาอยากใช้เพจยูคิวมันต้องเป็นเราสิเพราะเราเป็นเราเป็นเราเป็นผู้บุกเบิกอะนะทําทําให้ทุกคนเห็นครับว่าวันนี้เพจยูคิวสามารถสร้างเงินให้เขาได้จากการใช้อินเทอร์เน็ตจริงจนะครจากการที่คุณมีความเชื่อก่อนคุณต้องเชื่อนะเชื่อตัวตนคุณต้องเชื่อจริงจริงนะว่าเพจยูคิวอะทาเงินให้คุณได้คุณต้องเชื่อว่าคุณทําได้ด้วยแล้วคุณต้องเชื่อด้วยว่าฟิวเจอร์ของมันอะคือแบบเบอร์ไวเพราะว่าถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็จะล้าล้าล้าสมัยไปเลยอะ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 สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายจริงๆนะฮะไม่พูดต่อแล้วนะครับอยากจะฝากไว้นะครับ ท, ทํำคำนี้ฮนะคุณต้องเข้าใจเข้าใจว่ามันคืออะไรเข้าใจว่าพอยต์ที่ผมสื่อสารเข้าใจว่าการที่คุณเข้ามาทํา qq คิวเนี่ยเข้าใจว่าเป็นช่องทางการทําเงินยังไงคุณต้องเข้าใจมจริงๆเพื่อที่คุณจะได้ไปสื่อสารถูกนะคุณต้องทามันให้เป็นนะคุณต้องทาให้เป็นหมายความว่าคุณต้องรู้ทุกอย่าง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 ที่ a s ส i v e คือมีมากพอนะครับลายได้แบบเสือนอนกินแบบที่คนสามารถทำได้มากพอกลุ่มตลาด t ท r เก็ตเยอะนะครับแมแล้วก็ s h o r เท e r m มนะครับช็อตเทมนะฮะความสําเรมารวดเร็วคืนทุนเร็วนะครับคอน e e ิร์น e รนะครับคือคุณไม่เครียดนะครับที่สำคัญคือมันเป็นเ e v e ล a g e Power นะครับที่จะเป็นคานถอนแรงให้กับคุณนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทาังมีคำถาม